ปืนทุกกระบอกถูกงัดออกมาใช้งานครบต้วนไม่มีกระบอกไหนไร้ายประโยชน์เลยผมน่ายิงสีจนไหลชาดิกไปหมด mm. กล่าวจบเชิฐาก็หัวเราะออกมาเป็นครั้งแรกทันใดนั้นเองพรานใหญ่ผู้กว่าสายตาผ่านผ่านไปตามยอดไม้ทึบเหนือศีสะก็จ้องนิ่งไปยังยอดายอันหนาแน่นยอดหนึ่งแล้วยิ้มออกมาเครียดเครียดเชดาชั ย, ยันและดาดินสงสัยในอาการของเขาแงนขึ้นมองตาม ก็เห็นแต่ใบไม้เป็นเงาสลัวครึ้มอยู่ทั่วไปไม่เข้าใจว่าเขากำลังเจ้ามองอะไรเอ๊ะมีอะไรเลอรพินคุณมองอะไรช ย, ยันถามพรานใหญ่ไม่ได้ตอบคำถามชัยยันแต่พูดกับดาลินยิ้มยิ้มโดยยังจับจ้องอยู่ที่เป้าหมายเดิมว่าคุณหญิงครับทําไมตอนที่ตะลุมบอลกับพวกหนุมานอยู่นั่นนะ่ะผมร้องเตือนให้คุณหญิงนึกถึงปืนสั้นที่ติดเอวอยู่ เพราะไหลเฟืใน ม, มือของคุณหญิงลูกหมดแล้วก็ไอตัวหนึ่งมันกาลังทะยานลงมาใส่คุณหญิงแต่คุณหญิงมัวแต่ตะลงไม่ได้ยินเสียงของผมโชคดีที่แง่าสายยิงสกัดมันไว้ทันอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเลยได้ยินแต่เสียงลิงคราวนี้คุณหญิงจะลองใช้ปืนสั้นให้เป็นประโยชน์สมกับที่อุตส่าห์ใส่ซองห้อยติดเอวหนักมาตลอดเวลาดูไหมนะครับแต่ว่าอันที่จริงฝีมือปืนสั้นคุณของคุณหญิงก็เลอิอ ยกเว้นแต่พอเกิดฉุกเฉินเข้าจริงๆลืมนึกถึงมันสิได้ฉันไม่เข้าใจคำพูดของคุณดอนกระชติเสียงวุ่นวนตาเขียวเข้าใจว่ากำลังจะถูกหาเรื่องโยอะไรสักอย่างแล้วปีนหัวรอบเบาๆพยักหน้าบอกว่ามานี่สิครับมายืนใกล้ๆผมแล้วก็มองไปที่ยอดใสตรงตำแหน่งที่ผมจะชี้ให้ดูนี่หญิงสาวขามวดคิ้วงงๆ ง, งเชืาและชายยานหน้าตื่นไม่รู้เรื่อง ดาดินก้าวเข้ามายืนกระทบไหล่จอมผาน้องเงยตามเขาชี้ให้บอกบนหัวเราะเบาๆต่อมาว่าเห็นไหมครับอะไรหนาที่อยู่บนยอดไม้นั่นอีกสองชายพากันก้าวเขามายืนเคียงข้างอยู่ด้วยและแย้มมองตามสําหรับดาดินพยายามจ้องซอยปลือกตาทีๆและจ้องอีกที่สุดก็สั่นศีรษะไหนอะไรกันฉันมองไม่เห็นอะไรสักนิดนอกจากยอดไม้ ดูให้ดีสิครับก็ยอดไม้น่ะสิบ้าจริงหล่อนล้องฉวฉวหันไปทางพี่ชายกับชายยานันผู้ยืนช่วยมองอยู่ใกล้ๆพี่ใหญ่กับชายยานันเห็นอะไรอย่างที่ในพานของเราบอกหรือเปล่าทั้งสองสัส่นศีรษะหล่อนหันไปจ้องหน้าเขาเหมือนจะถามอีกครั้งเอาล่ะครับไม่เห็นก็ไม่เป็นไรว่าแต่เห็นยอดแต่คู่มีเงาโปรองอยู่ตรงกลางนั่นไหมเบนจากด้านซ้ายของยอดสูงสุดนั่นนะ่ะ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 แล้ยกขึ้นเหยียดแขนออกไปสุดในลักษณะยิงเป้าถามย้ำอีกทีหนึ่งยิงไปที่นั่นนะรึครับหล่อนยากหลายหัวเราอหึอห่หึแล้วเลงอย่างดาวสุ่มตามตำแหน่งที่เขาชี้บอกแต่ไก่เปี้ยงออกไปสถานดงมีแต่กิ่งไสรอันขนาดนิ้วชี้ขาดร่วงพลอยลงมานั่นยังไงคือสิ่งที่คุณให้ฉันยิงสติยังดีอยู่หรือเปล่า จอมพรานสันศีษะสูงไปครับย้ายที่หมายต่ำกว่านี้สักสี่นิ้วอ้าวยิงอีกทีหลอนบนอะไรพึมพำอย่างไม่ศรัทธาแต่ก็อยากจะรองดียกปืนขึ้นเลงอีกครั้งอึดใจเดียวก็สูนแรงสูงจากปืนสั้นก็แผดกึกก้องขึ้นอีกไม่ทันจะสิ้นกังวานเสียงของมันมีเสียงร้องแหลมยาวดังลัน่นเสียงกิ่งใส ย, ยอดนั้นหักรู แล้วเงาสีเทาอันใหญ่โตของอะไรช น, นิดหนึ่งก็รอยระลิ้วปะทะอากาศอู้ออกมากระทบกิ่งต่ำอื่นๆดังคลึกโครมฟาดลงกับพื้นเสียงพักดังสนานได้ยินไปไกลท่ามกลางความตะลึงพึงเพลิดของคนยิงเองและทุกคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งลูกหาบซึ่งบัดนี้นั่งพักรวมกันเป็นกลุ่มหม่อมแช่วงดารินร้องอุทานออกมาคาหนึ่งยกมืออีกข้างหนึ่งปิดปากอย่าลืมตัว ส่วนเชษฐากับชายยานก็วิ่งพรวดตรงเข้าไปยังสิ่งที่หล่นร่วงลงมานั้นระผินหันมายิ้มกระซิบกับร่อนว่าลองเข้าไปดูใกล้ๆสิครับว่ากิ่งไม้หรืออะไรแล้วเขาก็เดินเนิบเนิบตามหลังของเชษฐากับชายยานเข้าไปสมทบดาลินออกวิ่งตามเข้าไปด้วยอย่างตื่นเต้นอัศจรรย์ใจไปหมดภาพที่กองอยู่กับพื้นก็คือซาของลิงธรรมน์จ่าฝูงตัวหนึ่ง ใหญ่พอๆกับเจ้าตัวแรกที่เชิฐานยิงขณะที่เพลนเข้าใส่ทะพินบัดนี้มันนอนขาสั้นกระตุกอยู่ริกๆดิ้นพวดพราดอีกสองสามครั้งก็สงบเงียบเชียบกระสุนปืนสั้นของดา ล, ลินเจาะเข้ากลางทรวงอกพอดีขณะนายจ้างทั้งสามคนจ้องซ่ากลิงโมนจ่าฝูงที่นอนตายอยู่ตรงหน้าแล้วหันไปมองดูพรานใหญ่ยัยงงงไปหมดอะไรกันนี่มันไปยังไงมายัางไงฉันมองไม่เห็นอะไรเลยสักนิดนอกจากกิ่งไม้ แล้วทำไมถึงไปถูกเจ้าวายร้ายนี่เข้าได้ดารินร้องครางออกมาคุณหญิงมองไม่เห็นมันเองตหาครับมันนั่งหลบอยู่ที่กิ่งใสซุ้มนั้นนั่งนิ่งเฉยเลยทีเดียวโอ้โหระพินเดีาวว่าแต่น้อยเลยผมก็มองไม่เห็นตอนที่คุณชี้ให้น้อยยิงนะ่ะเชษฐาอุทานผมก็ไม่เห็นเหมือนกันมันเป็นไปได้ยังไงค น, นี่จอมพรานคงหัวรอเฉอยๆนลคออยู่เช่นนั้น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 เขาถึงได้เรียกว่าตาพรานจริงๆนะพวกเรามองไม่เห็นมันเลยสักนิดยอดไม้ออกสูงลิบแล้วก็กิ่งใบออกหนาทึบไปหมดอย่างนั้นไม่สงสัยเสียด้วยว่ามันจะมีนั่งหลบอยู่บนนั้นได้ว่าแต่คุณอธิบายหน่อยสิทําไมมันถึงเป็หลบเฉยอยู่อย่างนั้นไม่หนีไปเหมือนตัวอื่นๆจอมพรานก้มลงพลิกซากลิงใหญ่ตัวนั้นให้นอนคว่ำแล้วชี้ให้ดูรอยกระสุนลูกซองที่ฝังกลุ่นอยู่ที่ตะโพกด้านหลังของมัน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 แปลกจริงแล้วตอนที่ฉันยิงนัดแรกถึงจะผิดไม่ตรงเป้าหมายก็ต้องเฉียดมันไปนิดเดียวเสียงปืนก็ดีเสียงกระสุนที่เฉียดผ่านไปก็ดีทําไมมันถึงไม่เคลื่อนไหวหลบหนีหรือกระดุกกระดิกให้สังเกตเห็นตามธรรมดาของสัตว์นั่นเป็นความฉลาดในการพยายามรักษาตัวรอดของมันครับต่อให้เราทําเสียงตึงตึงโครมครามสักเพียงใดก็ตามมันจะไม่ตื่นหนีออกหมายสังเกตเห็นในเวลาที่มันรู้ว่าจวนตัวเป็นอันขาด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 หลอนตวาดแวดเครื่องยิ้มเครึ่องบึง้งยิงถูกตาซ้ายทะลุ ข, ขวานะ่ะฉันจะยิงได้อย่างเดียวเท่านั้นคือมนุษย์กวนโทโซอย่างอื่นก็ยิงไม่ได้หรอกขนาดพี่ใหญ่หรือชายยานยังมองไม่เห็นเลยแล้วฉันจะเห็นได้ยังไงเละก็ไอเรื่องตื่นเต้นตกใจของฉันนะ่ะมันห้ามกันได้ไม่เล่ถึงยังไงฉันก็ไม่เก่งเหมือนคุณหรอกดวงดาบลบกับปริงทะเลาะกันอีกแล้วเอคู่นี้นี่เป็นยังไงนะ ชายันบ่นลั่นแล้วพูดเป็นงานเป็นการต่อมาว่าเห็นในตัวนี้เป็นตัวอย่างผมสงสัยเสียแล้วสิพวกมันถูกยิงเจ็บนับร้อยไอ้ที่หนีไปได้ก็เยอะไอ้ที่หนีไม่ทันมิหลบหลบซ่อนๆแอบอยู่บนยอดไม้เหมือนไอ้ตัวนี้เต็มไปหมดหรืออย่าปล่อยมันทิ้งไว้เลยสอยลงมาเสียหมดเถอะเจ็บใจนักอ๋อแยะทีเดียวครับขอยสังเกตดีๆเถอะสงสัยว่าตรงยอดโน้นก็จะมีอีกตัวหนึ่ง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 แต่ในครั้งนี้เป็นการยิงอย่างปราณีตเสียงปืนแผดคำรามเป็นระยะระยะและเจ้าทโมนไพรลำบาวที่แอบซุ่มซ่อนตัวอยู่ตามคาคบไม้ต่างๆก็ถูกสอยร่วงลงมาเป็นลําดับอีกเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า20ตัวบางตัวตกใจเสียงปืนกระโดดหนีไปตามกิ่งไม้อย่างจนตรอกแต่ก็ถูกยิงคว่ำลงมาหมดอย่างไม่ปราณีสาสมกับความร้ายกาจของมันที่บางอาจคิดร้ายต่อมนุษย์ สำหรับกลุ่มของนายจ้างและพินทรรมหน้าที่เป็นมักกุเทชี้ตำแหน่งให้เห็นเป็นตัวตัวไปซึ่งเชษฐาชายยานันและดาลินผัดกันใช้ปืนสั้นซ้อมมือพลิกล่วงลงมาเป็นลำดับตามความสังเกตของเขาถ้าจะพูดกันถึงฝีมือปืนสั้นกันแล้วทั้งเชษฐาและชายยานันแม้จะอยู่ในขั้นดีก็ยังแพ้หม่อมราชวงศ์หญิงดาลินราบไม่มีทางเทียบติดถ้าสังเกตเห็นเป้าหมายได้ชัด ดาดิน ย, งยิงร่วงทุกตัวไปในวงกระสุนไม่เกินสองสานัดแต่ส่วนมากปังเดียวพลิกแต่สำหรับเชษฐถาหรือชายยันบางทียิงกันจนหมดลูกหม้อก็ยังไม่ร่วงต้องใช้เลยเฟิอ่อนใสครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นการกวาดร้างเจ้าพวกที่หลงเหลือก็สุดสิน้นลงเท่าที่สามารถจะทำกันได้รวมทั้งหมดเฉพาะที่ตามเก็บเอาบนยอดไม้ทีหลังนี่มีจานวนถึง27ตัวทั้งใหญ่และเล็ก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 อันเนื่องมาจากได้มีโอกาสแก้แค้นเข่นค่าอย่างสมใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ถูกกัดเวิะหวะมีบาดแผลไปเสือแถวนี้คงอิ่มไปนานชัยยันว่าท่านใดนั้นเชษฐาก็ก้มลงหยิบปลอกกระสุนลูกซองนัดหนึ่งที่ถูกสดัดทิ้งไว้กราดเกลื่อนพื้นขึ้นมาพิจารณาดูอย่างปราจากความหมายแล้วเป่าลมออกจากปากเบาๆอย่างอ่อนใจพูดเหมือนจะบ่นกับตัวเอง ไม่อยากนึกว่าเราจะตกเป็นหนี้บุญคุณของเจ้ากระสุนพื้นบ้านชนิดนี้เป็นยังไงชา ย, ยานันตอนแรกแกทำเป็นดูถูกปืนกำ น, นันอีกคราวนี้ไม่ใช่หรือที่กระสุนของปืนกำนันช่วยพวกเราทุกคนไว้จากไอ้ฝูงนรกพวกนี้เจอเอาการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของพวกมันไล่ฟินแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนักเที่ยวป่าหัวสมัยใหม่ไม่ยอมเดียวแลและดูถูกปืนลูกซองถือเป็นปืนเกรดต่าที่สุด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 นั่นก็ย่อมหมายความชัดอยู่แล้วว่าเราไม่ได้มองผ่านคุณค่าของมันไปเสียแม้แต่แรกจะไม่รู้ซึ้งนักก็ตามโชคดีเหลือเกินครับที่พวกคุณชายขนกระสุนลูกซองมาอย่างเหลือเฟือไม่งั้นคงลำบากทีเดียวตอนที่กองทัพหุ่นุานา์ยกพลบุกราตะกี้แลพินพูดยิ้มยิ้มขณะนั้นพวกลูกหาบทั้งหมดกาลังแยกย้ายออกเก็บปลอกกระสุนเฉพาะลูกซองเท่าที่จะหาได้เป็นจ้ารวัน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 กระสุนปืนลูกซองนัดหนึ่งในเมืองหลวงอาจราคาเพียง1ิสลึสองบาทแต่เมื่อมาถึงมือพวกเขาที่นี่นัดหนึ่งราคาถึง8บาทถึงส0บาทปเหมาะขาดแคลนเข้าจริงๆราคาสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มีมันเป็นสิ่งหายากและมีราคาที่สุดของพวกเขาถ้าเราจะกำนันอะไรเขาสักอย่างให้เขาพอใจที่สุดก็คือให้กระสุนปืนลูกซองถึงครับเขาจะยินดีเสียกว่าได้เงินอีก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 ยำขาดแคลนเข้าจริงๆพวกนี้กล้าที่จะซื้อปลอกลูกสองนัดละ3ามสบาทก็เอาแปลว่าเขาเอาไปอัดใหม่งั้นหรือหล่อนถามอย่างไม่แน่ใจพานใหญ่ก้มศรีรษะลงครับเขาเอาไปอัดใหม่ตามวิธีการของพวกเขาซึ่งแต่ละคนก็ชำนาญกันดีแนละทำเป็นทุกคนมันช่วยให้เขาไม่ต้องมาคอยซื้อกระสุนใหม่เอี่ยมราคาน้าละตั้ง80ดสิบาท แล้วจะซื้อแต่ละครั้งก็หาซื้อได้ยากเย็นเหลือเกินวิธีอัดของเขาก็คือขคาะท้ายกระสุนตรงตำแหน่งชนวนที่ถูกเข็มแทงชนวนเจาะให้เรียบเสมอออกมาเติมออกมาตามเดิมบรรจุแก๊ปเข้าไปอัดดินปืนที่ทำเองเอาหมอนรองไว้เฉพาะส่วนดินปืนแล้วก็หาลูกปลายขนาดตามแต่จะต้องการบรรจุลงไปลูกปลายชนิดนี้หาซื้อได้ไม่ยากนะักตามร้านขายของชาแถวบ้านป่ามีขายกันทุกร้าน พออัดทุกปายเสร็จแล้วก็เอาหมอนอัดไว้อีกทีหมอนที่เขาใช้รองก็คือสิ่งง่ายๆใยกามมะพร้าวแห้งนี่เองแล้วยิงได้หรือมันได้ผลสักแค่ไหนระหว่างที่ดารินงงช ย, ยันถามมาด้วยความสนใจอีกคนหนึ่งได้สิครับแต่จะได้ผลสักแค่ไหนมีคุณภาพเหมือนของนอกหรือไม่นั้นผมก็ไม่เคยทดสอบคํานวณดูสักที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 ระหว่างที่ประจันบาลกับไอหนุมานฝูงนั้นผมสังเกตเห็นคุณกับพรานของคุณยิงได้ด้วยเร็วหรือเกินเร็วจนไม่น่าเชื่อทั้งที่ปืนของคุณก็เป็นปืนแบบเดียวหรืออย่างดีก็แค่แฝดบรรจุได้ครั้งละและไม่เกินนัดสองนัดเท่านั้นคุณมีวิธีบรรจุกระสุนได้ยังไงนะถึงได้ยิงเร็วขนาดนั้นคําว่าเร็วของปืนลูกซองชนิดเดียวหรือแฝดมันก็อยู่ที่การบรรจุกระสุนเข้าลํากล้องนั่นแหละครับ ถ้าเราบรรจุได้เร็วเราก็ยิงได้เร็วใช่ก็หมายถึงการบรรจุนั่นแหละแล้วคุณทํายังไงล่ะถึงจะใส่กระสุนได้เร็วที่สุดพรานใหญ่ยิ้มระまいอดนึกชมเชยในใจเสียไม่ได้ในข้อที่ว่าอดีตในพันโททู่ทหารบกเชื้อพระวง์ผู้นี้มีความสังเกตได้ละเอียดถี่ท้วนมากและคมไวไม่ใช่น้อยแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆ การจะบรรจุได้เร็วมันก็ไปขึ้นอยู่กับการที่เราสามารถจะถือกระสุนสำรองไว้ในมือได้มากเพียงใดพร้อมที่จะยัดใส่เข้าไปในรังเพลิงได้ทันทีโดยมิเสียเวลาต้องไปคว้ามาจากกระเป๋าหรือย่ามหรือหยิบมาจากที่อื่นอันจะทําให้ศสียเวลาไปนี่มันเป็นเคล็ดลับหรือวิธียิงปืนลูกซองให้ได้รวดเร็วพิเศษออกไปครับถ้าสนใจจริงๆแนะกันนิดเดียวก็ทําทได้เว้นไว้แต่ที่ไม่เคยหรือไม่รู้มาก่อนอาจมองค่ามไิเสีย เอาละครับให้ผมเรียนถามคุณชายบ้างในขณะที่ถือปืนลูกซองพร้อมที่จะยิงหรือกาลังยิงคุณชายสามารถจะถือกระสุนสารองเตรียมไว้ในมือได้กี่นัดครับเชิดฐาสอยเปลือกตาที่ีพยายามคิดแล้วก็หันไปทดลองโดยกรลุลูกปืนไว้เต็มกาเท่าที่จะสามารถในฝ่ามือซ้ายช่วยลูกซองแฝดขึ้นมาทดลองประทับกับบ่าโดยใช้มือซ้ายที่กาลูกประคองกระโจมมืออีกทีหนึ่งเอ อย่างมากก็เห็นจะไม่เกินสามนัดที่เห็นอยู่นี่แหละก็เห็นเห็นอยู่นี่ว่าลูกซองของมันมีปอกอวบใหญ่กินที่มากสามลูกก็เต็มกบมือแล้วและมือข้างนี้เรายังต้องใช้ประคองกระโจมมืออีกขืนถือไว้มากกว่านี้ก็จับปืนไม่ถนัดส่วนมือขวาถือไม่ได้เลยสักนัดเพราะใช้เป็นมือจับคอปืนและนิ้วที่กระดิกไกนี่ยังไงละครับคือคาตอบคุณชายเชื่อหรือเปล่าว่า เมื่อผมต้องการจะยิงปืนลูกซองแบบเร็วผมสามารถจะมีกระสุนยอยู่ในมือขณะประทับยิงไม่น้อยกว่า1ิบนัดขึ้นไปฮ่าชายยันและเชี่ยทาลืมตาโตร้องออกมาพร้อมกันและพินหัวเราะจริงๆครับ10นัดนธรรมดาเท่านั้นถ้าเต็มอัตราส0บจริงๆต้อง14นัดคุณถือลูกปืนตั้ง1ิหรือ14นัดเข้าไปได้ยังไงในขณะที่ยิงชายยันร้องเรียวปื้แทนคาตอบ รพินดีดนิ้วเรียกบุญคำที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปนักเข้ามาแล้วขอกล่องกระสุนของชายยานส่งไปให้พลานพื้นเมืองอาวุโสของเขาพร้อมกับสั่งเรียบๆว่าบุญคำสแสดงการบรรจุเร็วปืนลูกซองให้เจ้านายท่านดูหน่อยซิเอาเต็มอัตาสึกเลยนะเอาแค่บรรจุเท่านั้นไม่ต้องยิงถือลูกปืนไว้ให้เต็มที่เท่าที่จะถือได้บรรจุแล้วก็หักลาสลัดกระสุนออก สมมุติว่าเป็นปลอกที่ยิงแล้วแล้วก็บรรจุใหม่เหมือนตอนที่แกยิงกองทัพปริงเมื่อตะกี้นี้นะบุญคำยิ้มรา่าจนเห็นเหือกแดงครั้มรับกล่องลูกปืนมาเงียบเงียบคณะนายจ้างทั้งสาจ้องมองการเคลื่อนไหวของบุญคำเป็นตาเดียวอย่างสนเทพลานพื้นเมืองเปิดกล่องกระสุนออกขั้นแรกทีเดียวหักกลําปืนลูกซองเดียวออกยัดนัดหนึ่งเข้าไปในลากล้องแล้วหักกลับเข้าที่จากนั้นก็เริ่มแสดงการถือลูกกระสุนสําหรับพร้อมที่จะบรรจุ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 ส่วนนิ้วหัวแม่มือว่างไว้สําหรับคล่อมทับคอปืนในขณะที่ยิงต่อไปอีกก็คาบท้ายกระสุนไว้ในปากอีกสามนัดซึ่งรวมทั้งสิ้นแล้วเป็น14นัดคือมือซ้ายเจดนัดมือขวาสี่นัดในปากอีกสามนัดว้าวเสียงคลายคนหนึ่งอุทานรั่นออกมาดูเหมือนจะเป็นชายยันเห็นไหมครับทั้ง14นัดของบุญคํานี่พร้อมที่จะบรรจุลงรังเพลิงได้ทุกขณะ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปมัวควักกระเป๋าอยู่เลยเอาบุญคําคราวนี้แสดงวิธีบรรจุซิบุญคําแสดงต่อไปแกยกปืนขึ้นประทับในลักษณะเตรียมยิงแล้วหักหางเหี่ยวอย่างรวดเร็วสัดกระสุนในรังเพลิงที่สมมติเป็นปลอกที่ยิงแล้วกระเด็นออกมาแล้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือของมือขวาหยิบรูปที่คาบไว้ในปากรูปหนึ่งยัดใส่เข้าไปอย่างรวดเร็วหักกรามกลับคืนทําทีเหมือนพร้อมที่จะยิงได้อีก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 การบรรจุแต่ละนัดตามที่เช่ยาจับเวลามันกินเวลาเพียงสองวินาทีต่อหนึ่งนัดเท่านั้นไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็นว่าเป็นอุปสรรคขัดข้องต่อการยิงเลยทั้งๆ ท, ที่เป็นปืนลูกซองเดี่ยวเสียด้วยซ้ำไม่ใช่แฝดชายยันกับดาลินตบมือกราวเชี่าเดินตรงเข้ามาส่งมือให้บุญคาจับเขย่าโดยแรงแล้วตรงเข้ามาจับมือพรานใหญ่บีบกระชับแน่น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 13.30 น, นเขาบวนเกวียนทั้งหมดก็พร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปได้พราญใหญ่สั่งให้กรบกองไฟที่หุงหาอาหารจนดับสนิทแล้วก็เคลื่อนรุดหน้าทิ้งซากของไพรพลทรรมนที่นอนตายอยู่กราดเกื่อนนั้นไว้เบื้องหลังหนทางนั้นนำลาดต่ำลงสู่โตรซึ่งเริ่มเห็นรอยเท้าช้างและกระทิงย่ำอยู่สับสนเปื้ไปหมดเพราะพื้นดินอันเปียกชื้นเป็นรอยให ม, ใหม่ขนาดที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อคือนนี้เอง รัพยีนกับพรานของเขาเดินตรวจรอยเหล่านั้นไปอย่างใคร่ครวนระมัดระวังตลอดระยะทางที่ออกเดินผ่านไปอีกชั่วโมงเต็มเต็มป่าทั้งป่าเงียบสงัดไม่มีวิแววของสัตว์ชนิดใดผ่านไม้เห็นสักตัวแม้แต่จำพวกนกกำปนาดปืนที่ประทะกับปริงนรกเมื่อชั่วโมงที่แล้วย่อมจะไล่สัพสัตว์ในละแวกใกล้เคียงให้สำเนียกภัยและตะลิดออกนอกรัศมีหมดอย่างน้อยก็กินอนาบริเวณไม่น้อยกว่า5ตารางกิโลเมตร ท้องฟ้าเริ่มจะสว่างขึ้นเล็กน้อยเมื่อผ่านโตรกออกสู่ป่าโปร่งอีกครั้งฝนที่เป็นพยับปกคลุมอยู่บนไหลเขาบัดนี้คงย้ายไปตกหนักอยู่ในทิศทางเบื้องหน้าอันเป็นทิวขุนเขาใหญ่สลับซับซ้อนก้านเป็นแนวทมือนอยู่ทางด้านเหนือที่บ่ายหน้าไปเห็นริบลิบผ่านทุ่งแฝกและทุ่งหญ้าที่กำลังแตกและบัดเป็นอาหารอย่างดีของพวกเก้งกวางตัดละเมอและป่าหนาพงดอไปอีกสองสามระยะ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 ก็กระโดดผุ่งลงไปสมทบในบาดนั้นพรานใหญ่คงโบกมือให้ขบวนเกวียนทั้งหมดเดินรุดหน้าไปเป็นปกติแต่ตนเองเดินแยกทางนำในจ้างทั้งสองตัดเข้าปากด่านตอนหนึ่งซึ่งมีรอยเท้าช้างหยีบย่ําอยู่กราดเกือนรอยเหล่านั้นนําขึ้นมาจากห้วยกว้างในระหว่างซอกหุบเป็นรอยเก่าที่สายตาขนาดเชื่อถาหรือชา ย, ยันก็พอจะ บ, บอกได้ว่าร่วงมาประมาณสองวันแล้ว สังเกตจากมูลของมันที่ถ่ายทิ้งไว้เป็นหย่อมๆพอเห็นกองมูลอันมีสีดำคล้ำผิดไปกว่ามูลช้างป่าธรรมดาทุ่วๆไปเช่นนี้นายจ้างทั้งสองก็หันมาจ้องตาพรานใหญ่มันเหรอเชฟถาม